แล้วก็ตั้งแต่พระเจ้าพรนานศรีปอมพระองค์ไปหานางปัญจาปาปีเสมอไม่ทรงปรารถนาจะเหลียวแลหญิงคนอื่นอีกเลยโอ้โหรักใกล้ชอบพอถึงขนาดนั้นนะทั้งทั้ที่จริงๆแล้วนางปัญจาปาปีนี่น่าเกียรติแล้วก็อัปรักษ์มากต่อมาวันหนึ่งบิดาของนางปัญจาปาปีบังเกิดโรค Long ลงโลหิตลงโลหิตก็คือถ่ายเป็นเลือด เขาเรียกลงพระโลหิตถ้าถ้าถ้าเป็นพระราชาเขาเรียกลงพระโลหิตอันนี ieurs, ้เป sure bon <con> the the ็นชาวบ้านธรรมดานะเขาเรียกลงโลหิตถ่ายเป็นเลือดนี่น่าจะเป็นโรคอะไรบ้างอะลิซิดวงละลายได้อ <JOE> ีกโรคกระเพาะก็เป็นได้ใช่ไหมถ่ายมาดำดำนะคล้ำๆละลายได้อีกไหมมะเร็งเลยเหรอ เอาหนักเลยนะเอาโรคมาเร่งเลยอืมก็เนี่ปรากฏว่าพ่อของนางปัญจาปาปีนะเนี่ยถ่ายเป็นเลือดยาที่จะรักษาโรคนั้นก็คือข้าวปลายาดข้าวปลายาดก็คือฮะข้าววัตุปลายาดนะข้าวปลายาดคืออะไรคือเอาข้าวหุงด้วยน้ำนมไงเราอ่าข้าวหุงด้วยน้ำนม เขาไม่ใช่หุงด้วยน้ำเปล่าไอเหมือนที่เราหุงหุงกันเขาใช้น้ำนมเนี่ยหุงเขาเลยเรียกข้าวปลาญาตินะคือหุงด้วยหุงเนี่ยแล้วปรุงด้วยนมสดล้วนๆกับเนยใสยน้ำพึ่งน้ำตาลกรวดอันนี้นะนี่คือสูตรที่จะรักษาโรค อ, อะไรอะโรคถ่ายออกมาเป็นเลือดแต่เพราะ ความเป็นคนยากจนขัดสนจึงไม่สามารถจะหามาได้หมายถึงว่าบ้านของนางปัญจา ป, ปาปีนี่น่ายากจนค้นแค้นมากเพราะนั้นโอ้โหอย่าว่าแต่ข้าวเลยนะ่าทั้งน้ำนมทั้งอะไรกินะน้ำพึ่งอะไรต่ออะไรจะไปหาที่ไหนล่ะข้าวแทบจะกินยังไม่ค่อยจะมีเลยอะ่ะ เพราะัยาเนี่ยสูตรเนียที่จะใช้รักษาได้เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนฉะนั้นมานดาของนางปัญจปาปีจึงพูดกับลูกสาวว่าผัวของเจ้าสามารถจะหาข้าวปลายาตมาให้ได้หรือไม่เล่านะเพราะว่าเห็นเนี่ ย, ยพระราชาที่ปลอมเนี่ยแต่เขาไม่รู้นะเขาก็นึกว่าชาวบ้านปลอมมามาหานางปัญจปาปีเสมอๆนางปัญจปาปีจึงตอบว่า ผัวของข้าหรือเห็นทีจะจนกว่าบ้านเราซิกแต่เอาเถอะจะลองถามเขาดูก่อนแม่อย่าวิตกไปเลยว่าดังนั้นแล้วนางปัญญ า, าปาปีนางก็มีท่าทางทุกข์ร้อนนะนะเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะถามอะ่ะก็นั่งคอยท่ารอเวลาที่พระเจ้ากรุงพระนสีเคยเสด็จมา คือพอพระเจ้ากุมาราณศีเนี่ยมาเจอนางปัญจปาปีเห็นนั่งคอยอย่างอะไรอ่ะเออชงเงยชงแงแล้วก็หงูหงิดนะทุกขุ่มใจอะไรอย่างนี้พอพระเจ้ากุมาราณสีมาเห็นปั๊บก็เลยเอ๊ะทำไมมีอาการอย่างนี้ก็เลยตรัสถามว่าเจ้าเสียใจอะไรมาหรือนางจึงเล่าเรื่องให้ฟังพระเจ้าพระนาศีจึงตรัสว่าดูก่อนน้องหญิง ยาขนาด น, นี้เป็นยาสำหรับท่านผู้เป็นใหญ่เราจะได้มาแต่ที่ไหนเล่าตรัส ด, ดังนี้แล้วก็ทรงคิดต่อไปอีกว่าเราไม่สามารถเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างนี้ได้บ่อยๆ อ, อาจจะต้องประสบอันตรายตามผลทางได้ก็แต่ว่าถ้าจะพานางปัญจาปาปีเข้าไปไว้ในวังคนทั้งหลายก็ไม่รู้ว่านางนี้มีสมบัติคือมีสัมผัสดี ก็จะพากันหัวเราะเยาะเราว่าคือหัวเราะเยาะเยอะยอ่ะนะว่าพระเจ้าแผ่นดินของเราไปพาเอานางยักษินีที่ไหนมาจำเราจะทำให้ชาวพระนครเขารู้สัมผัสของนางว่าดีเสียก่อนจึงจะปลดเปื้องข้อคอรหานินทาได้คือนี่เป็นความคิดของพระราชาว่าโอ้โหถ้าเอานางปัญจาปาปีเข้าวางนี่รับรองเลย นะชาวบ้านชาวช่องข้าราชาบริพารนี่จะต้องยังไงดูหมิ่นจะต้องเย้ยหยันจะต้องอะไรต่างๆแน่และแน่เลยเพราะนางปัญจปาปีนี่อัปป ร, รักแล้วก็หน้าตาหน้าเกียดมากคิดดำริอย่างนั้นแล้วพระราชาก็ตรัสกับนางว่าเจ้าอย่าวิตกไปเลยข้าจะหาข้าวปลายาบมาให้บิดาของเจ้านี่มีความคิดแล้วนะก็เลยพูดอย่างนี้ ครั้นทรงอภิรมกับนางปัญจะป่าปีแล้วก็เสด็จกับพระราชนิเวศพอวันรุ่งขึ้นจึงตัดสั่งให้หุงข้าวปายาตให้เอาใบไม้มาทำห่อเป็นสองห่อบรรจุข้าวปายาตลงแล้วก็ใส่พระจุรามณีลงไปในห่อหนึ่งผูกเสียให้ดีจุรามณีนี่ก็คืออะไรเป็นเหมือนกับเออ เหมือนพวกเพชรนินจินดาเหมือนกับพวกแก้วมณีอันมีค่าพวกนี้เนี่ยเาเรียกจุรามณีห่อหนึ่งนี่ก็ไม่ได้ใส่อะไรห่อหนึ่งก็เป็นข้าวปลายาตอีกห่อหนึ่งก็เอาเนี่ยของมีค่าเนี่ยใส่เข้าไปในหอนั้นด้วยพอเวลาราตรีก็เสด็จไปส่งห่อข้าวให้แล้วกำชับว่าคือพูด ง, ง่ายๆว่าพระราชาเนี่ยมักจะแอบไปในช่วง กลางคืนไปหานางปัญจาปาปีเนี่ยเสร็จแล้วคราวนี้ก็เนี่ยไปกลางคืนอีกเอาห่อข้าวไปให้แล้วก็กําชับว่าเราเป็นคนจนเท่านี้ก็หาได้โดยยากเจ้าจงบอกกับบิดาว่าวันนี้จงกินข้าวปลาย่าห้อนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้ค่อยกินอีกห่อหนึ่งนางปัญจาปาปีก็ทําตามสั่งพอบิดานางปัญจปา ป, าปีบริโภคเข้าไป ห่อแรกแล้วก็อิ่ม้ํำสำราญมีความสุขสบายเพราะข้าวปลายาดนั้นมีรสโอชายิ่งนักแหมได้มาจากวังอะ่ะจะไม่โอชาไงใช่มข้าวก็คงอย่างดีน้ำนมอย่างดีหุงด้วยอะไรอะ่ะน้าพึ่งอะไรต่ออะไรผสมเข้าไปอีกนางปัญจาปา ป, ปีนางก็นำเอาข้าวปลายาที่เหลือให้มารดาหมายถึงห่อแรกเนี่ย ให้พ่อกินแล้วก็ที่เหลือก็ให้แม่กินแล้วจึงบริโภคแล้วจึงบริโภคเองในภายหลังก็พออิ่มทั้งสามคนแล้วส่วนหอที่มีจุรามณีก็เก็บไว้เพื่อวันต่อไปคือเก็บเอาไว้วันพรุ่งนี้ทำตามสั่งทุกอย่างนะสามีนี่สั่งมายังไงก็ทำตามนั้นคันพระเจ้าพร anas ีเสด็จกลับพระราชนิเวศสงพระพักเสร็จ สงพะพักก็คื อ, อล้างหน้าแหมบางทีเราฟังแล้วโอ้โหไปไกลเลยสงสงพะพักพูดแบบชาวบ้านก็ล้างหน้าเสร็จแล้วนะจึงตัดสั่งให้พนักงานนําจุรามณีมาถวายคือพูดง่ายๆว่าเอาเอาจุรามณีมาอาตมาไม่รู้นะเขาเอาปดับหรือทําเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ได้เปิดโ พ, พจนานุกรมมา่ก่อน ว่าจุรามัีนี่มันเป็นประดับไว้กับเครื่องใช้หรือว่าของอะไรมวยผมนี่เหรอเหมือนกับปีนไปผมคุณมั่วแล้วเปล่าล <c oughs> เอาให้ชัดนะเ อ, เอาไว้วันหลังค่อยไปเปิดดูพระจ้านุกรมว่าหมายถึงเครื่องใช้หรือว่าอะไรแต่เนี่ยมันจะเป็นของมีค่ามีพวกแก้วมันีอะไรพวกนี้ประดับอยู่ด้วยนั่นเนี่ยพอพอ ล้างหน้าล้างตาเสร็จใช่ไหมก็บอกอ้าวเอาเอ า, เอาจุรามณีมามาให้เราเมื่อเจ้าพนักงานทูลว่าหาไม่พบคือคือพระราชาเอาไปแล้วนี่ก็งั้นก็เลยหาไม่เจอละก็เลยตัดสั่งว่าค้นให้ทั่วพระนครนะพระราชาสั่งเลยให้ค้นทั่วพระนครคนทั้งหลายก็พากันค้นจนทั่วแล้วก็หาไม่พบพระราชาจึงตัดสั่งว่า ต่อไปนี้นะให้ค้นด้านนอกพระนครคนในพระนครหมดแล้วนะให้ค้นด้านนอกพระนครที่สุดแม้หอกข้าวของในเรือนคนยากจนก็อย่าละเวน้นก็พบพระราชามีเป้าหมายอยู่แล้วใช่ไหมมีแผนอยู่แล้วมันจึงสั่งไปเลยบอกเอ้าวคราวนี้ไปคน้นตามอะไรอ่ะออบ้านคนจนบ้านอะไรค้นให้หมดข้าวของอะไรค้นให้หมด ราชบุรุษทั้งหลายก็พากันเที่ยวไปค้นหาจนไปพบจุรามนีในเรือนนางปัญจปาปีนะในห่อข้าวปายาดนั่นเองจึงพากันผูกมัดเอาบิดามารดาของนางหาว่าเป็นโจรแล้วนำตัวมาทำนำตัวมาหาพระราชาทั้งสองนะทั้งบิดามารดาของนางปัญจปาปีนั้นะจึงร้องขึ้นว่าข้าพระเจ้าไม่ใช่โจร คนอื่นนำมาให้คันเขาซักไซว่าใครล่ะนะก็บอกว่าลูกเขยลูกเขยเป็นคนเอามาให้คันเขาถามต่อไปอีกว่าแล้วลูกเขยอยู่ที่ไหนแม่พ่อแม่นางปัญจาปาปีก็ไม่รู้เหมือนกันทีเพราะพระราชาบางวันถึงจะมาอย่างเงี้ยก็เลยซัดไปที่นางปัญจาปาปีเลย พอเขาถามว่าลูกเขยอยู่ที่ไหนก็เลยบอกว่าลูกสาวถึงจะรู้บิด า, าพ่อของนางปัญจปาปีจึงหันมาพูดกับลูกสาวว่าเจ้ารู้จักที่อยู่ของผัวเจ้าหรือไม่เล่านางก็ตอบว่าไม่รู้จักนะพ่อของนางปัญจปาปีก็เลยถามอีกว่าถ้ากรนั้นชีวิตของเราทั้งหมดก็คงไม่เหลืออยู่แน่ คนะงจะเนี่ยจะต้องโดนจับแน่นอนแล้วแล้วก็โดนหาว่าเป็นโจรด้วยนางปัญจาปาปีจึงกล่าวว่าผัวของข้ามาในเวลามืดแล้วแล้วก็กลับในเวลามืดข้าจึงไม่รู้ชัดว่ารูปร่างเขาเป็นอย่างไรกันแน่แต่ถ้าจับต้องถูกมือแล้วก็จะรู้ได้แล้วนางก็บอกแกราชบุตษทั้งหลายเช่นนั้น ราชบุรุษทั้งหลายจึงนำความมากราบทูลพระเจ้าพราณาสีพระเจ้าพราณาศีทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วก็จึงตัดสั่งว่าถ้าเช่นนั้นจงให้หญิงคนนี้นั่งอยู่ในม่านที่หน้าพระรานหลวงแล้วเจาะช่องม่านพอเอามือลอดเข้าไปได้จากนั้นก็สั่งชาวเมืองมาประชุมกันให้หญิงนั้นจับโจรให้ได้ด้วยการสัมผัสที่มือ นี่เป็นแผนของพระราชาน่ก็เลยวางแผนอย่างนี้เพราะว่าอะไรอ่ ะ, อะเพราะว่าต้องการให้คนนะโดนเจอสัมผัสมือของนางปัญจาปาปีบ้างทางั้งทั้งที่มือเป็นไงตามตอนต้นมืออัปลักษ์นะจริงๆแล้วมือแปรขาแปรอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าที่ ที่ทำให้คนติดใจหรือรูมหลงก็ตรงการที่สัมผัสแตะต้องรูปไล้ถูกอะไรพวกนี้ราชบุตรราชบุรุษ ท, ทั้งหลายก็ทำตามรับสั่งแต่พอพบนางปัญจ้าปาปีเข้าแลดูรูปร่างแล้วก็เกิดความเดือดร้อนเกียดชังว่าถุยถุยอีปีศาจ <laughs> คือพอเห็นเข้าตอนนั้นเองโอ้โหตาย ทำไมอภรรักษ์ทำไมน่าเกลียดอย่างนี้แหมเรียกปีศาจเลยนะคือทั้งพวกชาวบ้านทั้งพวก เ, ออเนี่ยราชบุรุษแต่พวกทหารหาต่างๆเจอนางบัญจปาปีบอกโอโหรับไม่ได้เลยแล้วต่างก็ไม่อยากเข้าไปใกล้เดินห่างๆพานางมาให้นั่งในม่านที่หน้าพระลานวุ่นง่ายพวกทหารนี่ไม่ไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าแตะตัวเลย เห็นแล้วก็ น, นึกว่าเหมือนกับพวกแม่มดเหมือนพวกอะไรอะ่ะเอ่อถ้าไม่เรียกว่าปีศาจนี่จะเรียกว่าอะไรพวกที่หน้าลังเกียดเอ่อเออเตอนแรกมีเรียกอย่างกับนางยักษ์ซีนีอะไรเงี้ยนะคือคือหน้าเกียดมากมากแม่ไม่กล้าเข้าใกล้เลยจะตามไปอย่างกับคนเป็นโรคเรืออเอ้อนเนี่ยเอออย่างกับคนเป็นโรคเรื้อนคนอะไรอะ่ะเป็นโรค ติดต่ออะไรงี้นะไม่กล้าเข้าใกล้เลยผีดิบเลยเหรอมันมากไปมื่งผีดิบนี่มากไปหนักเกินตอนนี้พอก็ให้นางปัญจาปาปีเข้าไปนั่งแล้วนะมีม่านกั้นเอาไว้จัดการให้ชาวพระนครทั้งหมดมาประชุมพร้อมเพียงกันนางปัญจาปาปีก็จับมือบุรุษทีละคนทีละคนที่ยื่นเข้ามาในช่องม่านคือนางปัญจาปาปีก็ไม่เห็นหน้าตานะ ให้ให้พวกผู้ชายในเมืองในเมืองเนี้ยแต่ละคนยื่นมือเข้ามาเท่านั้นเองตอนนี้พอจับไปทีละคนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ให้บอกมาว่าใช่หรือว่าไม่ใช่นะให้บอกขานเรื่อยไปว่านานางบันจับไ ป, ปิวจับไปทีคนทีคนก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มาบอกไปเรื่อยบอกนี่ไม่ใช่สามีของข้าบุรุษทั้งหลายที่ได้สัมผัสถูกต้องก็ติดใจในสัมผัสแห่งนาง ที่คล้ายอย่างกับสัมผัสทิปแหมรุ่มหลงเลยนะแค่โดนนางปัญจา่าปาปีจับมือเท่านั้นเองถึงกับโอโหรุ่มหลงยินดีพอใจเลยต่างคนก็คิดในใจว่าถ้าหญิงคนนี้ควรแก่ศินไหมเข้าใจคำว่าควรแก่สินหไหมไหมคือถ้าเป็นค่าท่าเป็นบริวารหรือเป็นอะไรที่เขามีค่าตัวอ แล้วก็ค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยควรแก่สินใหม่เราจะยอมให้จะยอมจ่ายค่าสินใหม่นั้นเลยจะยอมจ่ายให้เลยถึงจะตายก็จะเป็นทาตกรรมกรก็ไม่ว่าจะพาไปเลี้ยงไว้ในเรือนนี่แค่โดนนงปัญจาปาปีสัมผัสมือเท่านั้นเองโอโหติดใจรักให้เลย ไม่รู้เวอร์เกินหรือเปล่าฮะเวอร์เกินเหรอแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นชาดกที่อาตมาว่าโอโหทันสมัยมากเลยนะทันสมัยมากให้เห็นว่าจริงจริงคนทุกวันเนี่ยอาตมาว่าไม่ทันได้สัมผัสแต่ต้องเลยอะแค่เห็นเท่านั้นเองแวบๆโอโหบางทีไปแล้วนะไปเสพกามไปยุ่งเกี่ยวไปอะไรกันละแค่เห็นแวบๆ เนี่ยมีบางทีเท่าที่อาตมาเคยบางทีเนี่ยดูหนังดูละครอะไรต่างๆมาดูมาเยอะยิ่งโดยเฉพาะหนังฝรั่งหลังๆเนี่ยบางทีสร้างแป๊บเดียวอะ่ะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันแค่ว่าเจอกันทนาแป๊บเดียววันนั้นแหละเจอกันไม่กี่นาทีเดี๋ยวมันพากันไปละนั่นแหละไปโรงแรมหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกันไปมั่วกามกันอะไรแป๊บเดียวเท่านั้นเอง แล้วก็ทุกวันนี้สังเกตไหมว่าเออสภาพสังคมมันก็เป็นสภาพนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นจริงๆด้วยมอนจะให้เห็นเลยว่าอย่างชาดกเรื่องเนี้ยถ้าจะว่ากันไปเอาตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เกินไปหรอกแต่เราฟังเนี่เรารู้สึกว่าเกินไปนะรู้สึกเวอ่รารู้สึกว่ามากไปแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นไปได้เพราะว่ากิเลสกามของคนเราเนี่ย มันมีอยู่แล้วสำหรับคนที่ไม่ฝึกฝนตนแล้วก็ไม่ลดราคะต่างๆลงมาว่ามันมีเชื้อเนี่ยอยู่แล้วพราอาตมาถึงบอกว่าอย่าว่าแต่ไปแตะเนื้อต้องตัวอะไรกันเลยเดี๋ยวเนี่ยมันแค่พบเห็นเท่านั้นเองแค่เนี้เราเรียกว่าอะไรละฮะแค่พบเห็นกันเนี่ยสปาร์กเนี่ยภาษาไทยมันจะแปลว่าอะไรอะจุดชนวนเหรออะไร สปาคปิงปิงเนี่ยก็เหมือนกับโดนใจใช่ไหมอืมเอาละนะก็ทํานองนี้แหละจะให้เห็นเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้อาการหนักกันมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนางปัญจาป่าปีคราวนี้แตะมือของผู้ชายในพระนครนี้ทีละคนทีคนไล่ไปเรื่อยเลยนะทั้งพนักครเลยนะแต่ละคนก็เอามือเข้าไปให้จับแล้วแต่ละคนก็โอ้โห พร้อมเลยคิดว่ามีค่าตัวเท่าไหร่นางปัญจาปาปีนี่พร้อมเลยที่จะจ่ายให้นะถึงตายก็ไม่ว่า <c oughs> อันนี้ตามสํานวนเขานี่นะถึงตายก็ยอมโอ้มันจะหลงอะไรขนาดนั้นน ะ, นะะต่างคนต่างไม่สามารถจะจากไปจากที่ตรงนั้นได้ก็ก็พอจับดูนางปัญจาปาปีบอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้อง ต่อไปใช่ไหมคนต่อไปปรากฏว่าพวกเนี้ยก็ยังยืนอ อ, อยู่เต็มพลานไม่ยอมไปไหนเลยจนราชบุรุษทั้งหลายโบยด้วยไม้จึงจะหลบหนีไปจึงจะหลบหลีกไปพูดง่ายไม่ยอมไปยังไงก็ยังโอ้โหคิดถึงแต่ไม่เห็นตัวนางปัญจาปาปีนะเพราะว่านางปัญจาปาปีมีม่านกั้นอยู่ ก็คงจะคิดว่านางฟ้าอยู่ในนั้นนะนะคงจะคิดว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ยอมจากไปเลยต่อเมื่ อ, อพวกทหารนี่มาไล่ตีถึงจะหลบหนีไปคนทั้งปวงตั้งแต่อุปราชลงไปก็มีอาการขาดสตบิบานกับจะเป็นบ้านะคือเนี่ยตั้งแต่อุปราชลงไปลงไปไล่ลงไปตำแหน่งไล่ลงไปจนถึงยาจกเห็นใจอะไรในเมืองะ ทุกคนเลยเรียกว่าโอโหขาสติเคลิบเคลิมเมื่อได้โดนสัมผัสอันนี้เข้าไปเท่านั้นเองพอหมดคนอื่นแล้วหมดแล้วนะนี่ทั้งเมืองหมดแล้วนะพวกผู้ชายนะเจ้าพผู้ชายพระเจ้าพระราศีก็ตัดว่าจะเป็นเราเองบ้างรากมังขาวนี้จึงยื่นพระหัสเข้าไปพอนางบัญจาปาปีจับพระหัสก็ร้องเสียงดังลั่นว่าจับโจรได้แล้ว พอจับมือพระราชาได้ท่านั้นเองออกใช่เลยนะถ้าแสมตัวเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าใช่เลยก็จับโจรได้แล้วนี่ น, น, น, นคนนี้แหละที่ที่เอาจุรามณีไปอ่ะไปให้อ่ะนะ<ก>นพระเจ้าพรลนณศีนะจิงตัดถามราชบุรุษทั้งหลายว่า<ก>เมื่อนางนี้จับมือพวกเจ้าเข้าแล้วพวกเจ้ามีความคิดอะไรบ้าง ราชบุุษทั้งหลายก็กราบทูลตามความเป็นจริงทุกประการนะัว่าโอ้โหเกิือเคิมขาดสติยังไงพระเจ้าพราณาศีจึงตรัสว่าที่เราให้ทำอย่างนี้ก็เพื่อจะนำหญิงนี้มาไว้ในวังแต่ยังคิดเห็นว่าเมื่อท่านทั้งหลายไม่รู้สัมผัสของหญิงนี้ก็จะดูหมิ่นเรานาจะหมิ่นประมาทเราได้เพราะฉะนั้นจึงให้เจ้าทั้งหลายได้รับรู้ไว และดูทีหญิงนี้จะสมควรอยู่ในเรือนของใครพอพูดเสร็จแล้วก็เลยถามคนทั้งหลายว่านเนี่ยเนี่ยผู้หญิงที่มีสัมผัสอย่างเี้ยคิดว่าควรจะอยู่ในบ้านบ้านใครราชบุรุษทั้งหลายก็กราบทูลว่าสมควรอยู่ในวังของพระ อ, องค์พระเจ้าค่ามันไม่มีทางอื่นแล้วนีคันแล้วพระเจ้าพนาสีก็พระราชทานอภิเษก ตั้งให้นางปัญจปาปีเป็นอัครมะเหสีและพระราชทานอิสริยยศแก่บิดาบารดาของนางตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าพระราศีก็ทรงมัวเมาอยู่ด้วยนางปัญจปาปีจนไม่เอาพระทัยใส่ในอันที่จะตัดสินความของราษดรและไม่ทรงเหนียวแลหญิงอื่นอื่นอีนอกเลย พวกนางสนมทั้งหลายจึงคอยจ้องหาโทษใส่ความให้ร้ายแก่นางปัญจปาปีเสมอเสมอพูดง่ายว่าโอ้โหแต่งตั้งให้เป็นใหญ่เลยใช่มเสร็จแล้วตอนนี้ก็มีปัญหาสิเพราะว่าพระราชานี่รุ่มหลงมัวเมาอยู่ในการมราคะกับนางปัญจปาปีเลยจนกระทั่งผู้หญิงอื่นสวยหยาดฟ้ามาดินยังไงข้าไม่สนละคราวนี้ ไม่ยุ่งกับใครเลยยุ่งกับนางปัญจาปาปีแต่ผู้เดียวตอนนี้ในวังอะ่ะมีนางสนมกันนานตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมเอาละสิก็ก็มีปัญหาสิพระราชาไม่ไปหานางสนมอื่นๆเลยวันข่าวนี้ก็อิจฉาริษยาเกิดขึ้นและววันในที่สุดก็เลยพวกนางสนมอื่นๆเตรียมแล้วหาทางว่าจะเล่นงานนางปัญจาปาปียังไง อยู่มาวันหนึ่งนางปัญจา ป, ปาปีฝันเห็นเป็นนิมิตที่ตนจะได้เป็นอัครมาเหสีของพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์นางจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ พ, พระเจ้าพนาสีจึงรับสั่งให้หาผู้มาทำนายฝันให้เข้ามาเฝ้ า, าก็ตรัสถามว่าถามคนทำนายนะฝันเห็นอย่างนี้จะมีผลเป็นอย่างไรเล่า พวกผู้ทํานายฝันได้สินบนจากนางสนมอื่นๆจึงทูลทํานายว่าขอพระราชทานโอกาสการที่พระราชเทวีทรงสุบินว่าได้นั่งบนคอช้างเผือกนั้นเป็นบุพนิมิตนำมรณะมาสู่พระองค์อันนี้ก็พูดไปโน่นเลยพวกทํานายพูดง่ายว่านี่เนี่ยพระดาชานี่จะต้องตายแน่งานนี้ ส่วนการรูปคำพระจันร์เล่นนั้นเป็นบุพนิมิต ท, ที่นําพระราชาที่เป็นข้าศึกมาสู่พระองค์พระเจ้าค่ะออแสดงว่าฝันยาวนี่นะไม่ใช่ฝันสั้นๆเราฝันนึกว่าแค่มีได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์แต่ที่จริงแล้วฝันว่าเป็นนั่งอยู่บนคอช้างเผือกใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าพระเจ้ากุมภาราศีนี่ จะต้องมรณะนีน่นำความตายมาให้เพื่องอ่ายแล้วก็อีกอันนึงฝันว่าเป็นรูปคำพระจันทร์เล่นอันนั้นนะ่ะแสดงว่าจะเอาค่าศึกมาให้กับกับพระเจ้าพนาสีทํานนายฝันไม่เข้าท่าเลยนะั่นที่ <c oughs> คันพระเจ้าพนาศีทรงซักว่าถ้าฉนั้นจะควรทำอย่างไรนะสำหรับฝันอย่างเนี้ยก็ได้คำตอบจากพวกทํานนายว่า ก็ไม่ควรจะให้สำเร็จโทษพระนางเสียแต่ควรใส่เรือปล่อยลอยไปตามแม่น้ำควยง่ายว่าไม่ต้องถึงกับฆ่านางปัญจาปาปีหรอกนะยังยังยังเก่งก็เอาลงเรือแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเท่านั้นเองพระเจ้าพนาสีทรงเชื่อด้วยความกลัวภัยนั่นเองจึงให้นางปัญจาปาปีลงในเรือ พร้อมทั้งอาหารและเครื่องอลังการพอเวลาราตรีก็ปล่อยลอยไปในแม่น้ำเสร็จเลยตอนนี้เท่ากับว่าอะไรเท่ากับกลัวตายพูดง่ายพูดภาษาชาวบ้านกลัวตายก็เลยเอานางปัญจับปาปีไว้ไม่ได้ละ ท, ทั้งทั้งที่โอโ้แสนลักแสนอะไรอ่ะพราะนั้นคนที่ติดกรรมอะไรอ่ะรักใครหลงใครยังไงก็ตาม แต่ถ้าตัวเองจะตายจริงๆเข้ากรามหายได้เหมือนกันนะกรามหดหายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาเลยปล่อยนางปัญญาปาปีทิ้งไปเลยสังเกตไหมว่าบางทีเนี่ยบางคนบอกว่ารักกันนักรักกันหนาแหมแสนรักแสนห่วงแสนอะไรอวรแต่บางทีอีกคนหนึ่งเจ็บป่วยบางทีเจ็บป่วยทุกทรบานนะบางทีเคยรักเคยอะไรยังไงเนี่ยพอเมื่ พอมีเวทนามีความทุกข์มีความทรมานเกิดขึ้นบางทีเป็นไงล่ะขาอนี้จะเป็นสามีมาดูแลก็ตามหรือว่าเป็นภรรยามาดูแลก็ตามเป็นไงบางทีพอมีความเอทุกเวทนาเจ็บปวดอะไรขึ้นมาบางครั้งก็ไอ้ที่ลากแสนลากไปไงหายหมดละถ้าทําอะไรไม่ถูกใจไม่อะไรบางทีก็ดา่าก็ให้จะเห็นได้เลยเพราะฉะนั้นเน่ย บางทีไอ้ความรักความหอบหัวงความอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้เป็นของจริงนะถ้ามีอย่างอื่นที่แรงกว่าเข้ามาไอ้สิ่งนั้นก็โดนอะไรอะเรือนรางลงไปได้เพราะฉะนั้นไอ้กิเลสพวกนี้จริงๆแล้วอะเราเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงหรอกจริงจริแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นถ้าเราเนี่ยฝึกลดล้กิเลสจริงๆมันลดลงได้แต่ที่มันลดลงไม่ได้เพราะ เราไปยึดเอาไว้ยึดเอาไว้อยู่เรื่อยเลยจนกระทั่งเราไม่ยอมอ่ะไม่ยอมที่จะปรับที่จะเปลี่ยนมันทั้งทั้งที่จริงๆมันเปลี่ยนได้บ า, บางคนถึงต้องรอจนโอ้โหทุกทรมานทรมกรรมมากๆเลยจนบางทีบางคนใกล้จะตายนะเนี่ยถึงจะโอ้โหบางทีไม่ยอมปล่อยใจได้ยอมเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้แต่มีเหมือนกันที่บางคนเนี่ยที่เขาบอกว่าอะไรนะ รักนี้นิรันดรรักนี้นิรันดรโอ้โ oh, หชนิดที่เรียกว่าตายก็ยังฝังใจไปอย่างเงี้ยก็จนกว่าจะเจอทุกข์ถึงที่สุดอะ่ะถึงจะรู้ว่าว่าไอความผูกพันความรักความหอบผวงอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้ตัวเราเนี่ยทุกข์มากๆ